ฟังธรรมกันนะการฟังธรรมก็คือการฟังเรื่องของตัวเรานี่แหละไม่ใช่ฟังนิยายนิทานฟังหัวลำฟังเพลงไม่ใช่แบบนั้นฟังเรื่องที่มันเกิดกับกายกับใจเรานี่มีอะไรบ้าง กูพูดก็เห็นมากับหูกับตาได้ทำกับมือมาไม่ใช่จำใครมาพูดเหมือนกับร้องเพลงจำเนื้อเพลงคนนั้นคนนี้มาร้องไม่ใช่อย่างนั้นก็เป็นสิ่งที่เชิญชวนให้มาดู สัมผัสได้ยินได้ฟังเอาไว้เพื่อจะได้เห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจเรานอกจากมีผู้พูดผูด้ฟังในเรื่องนี้เพื่อยังมีสูตรมีภาษาศาสดามีคำสอน เราก็นับถือพระศาสนาเสือพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าเป็นศ า, าสนาได้สอนแล้วเราก็มีศรัทธาต่พระพุทธศาสนามีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมมีพระสงฆ์เป็นรัตนะเป็นสิ่งที่โชว์ให้เห็น ไม่ใช่งอม ง, งอมเาวสา ว, สาวผู้ศึกษาเรื่องนี้ก็คือต้องมีสูตรสูตรเรื่องนี้ก็มีกันทุกคนคือกายคือใจเป็นหลักสูตรเราก็มีสติเป็ตัวศึกษาตามสูตรที่มีอยู่นี่ ถ้าไม่มีสติมันก็มีเฉยๆสูตรไม่ได้เห็นไม่ได้สัมผัสไม่เกิดประโยชน์โตอกายจใจสุดก็มีอยู่ว่ามีสติไปในกายอยู่เป็นประจำมันก็การท่องจํามีสติไปในกายมันการท่องจําการท่องจา ท, งทั้งจิตวิญญาณ ไม่เหมือนการท่องจำทั้งปากรู้อยู่เสมอสิ่งใดที่มันเกิดขึ้นมาก็จะได้เห็นเห็นก็ง่ายๆมีผู้มือบอกอยู่ฉันเห็นกายสักว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอย่ามีกายช่อนกาย หรือว่ากายก็ทิ้งไปแล้วนั่นคือสักแต่ว่านี่เป็นคู่มือ <c oughs> เหมือนเราอ่านตำรามีคู่มือเพื่อจะรู้จักความชี้แจงนั่นคืออะไรก็ต้องทำไปตามคู่มือนั้นวิธีทำไปตามคู่มือนั้นเรียกว่าปฏิบัติธรรม เห็นกายสวากราไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนโลกเขานะหน่าละคือปฏิบัติธรรมคือศึกษาธรรมเดียนหลักสูตรต้องมีสูตรอย่างนี้อย่าทิ้งสูตรจเป็นสุขเป็นทุกข์หรือว่าเวทนานะก็เหมือนกันความคิดเกิดขึ้นมาก็เหมือนกันทำทั้งหลายเกิดขึ้นมาก็เหมือนกันมีสูตรเดียวเท่านั้นที่ว่าสักแต่ว่า เวทนาศัพท์ว่ากิจศัพท์ว่าธรรมผู้มือว่าไปอย่างนั้นเราก็เห็นไปตามทำดูก็ถูกที่สุดแล้วเชินสูตรคณิตศาสตร์หบวกหก็เป็น10 5หสองเป็น10บห้าสามสิบหห้าสี่ย่สห้าห้าแล้วก็ท่องได้ตั้งแต่เป็นเด็กนักเรีย น, นกอหนึ่งกอสอง เราก็ไม่รู้ว่าจะมาบวกลบคูณหารอะไรสมัยเรียนเป็นเด็กเด็กก็ท่องได้เฉยๆแล้วก็อย่างไรใช่ถ้าทุกวันนี้เป็นสูตรสาเร็จแมแต่อะไรก็ตามเป็นสุรทุกอย่างการศึกษาเราเรียนที่เป็นภาษาทางโลกมีสูตรเหมือนกันหมดถ้าใครที่งหลักสูตรก็สอบไม่ผ่าน การจะสอบที่จะเป็นรู้มีความรู้ละตรต้องแสดงทั้งขานสอบผ่านตอบได้เป็นเาเป็นภาษาที่เขียนอาทีก็อาจจะเขียนตามเขาอาจจะไม่ยัไม่เก่ง <c oughs> แต่ภาษาธรรมนี้ไม่มีภาษาเขียนแต่มันลึกซึ่ง นันเป็นเลนเป็นตาที่ประทับไว้แล้วมันไม่ลืมเป็นเหมือนกับภาษาที่จำเอาพอดีท่ทองขยันท่องจึงจำได้ถ้าไม่ขยัน ท, อท่ทท อ, งนทองก็จำไม่ได้คิดถามไม่เห็นต้องอาศัยความขยันเรียนหนังสือก็ต้องท่องจำ ปฏิบัติทมศึกษาทมก็ต้องขยันขยันลำดับขนันขยันลำนําหรือื่าการท่องจำภาษาจิตวิญญาณนีสติเป็นในกายเป็นประจําการขยันให้มีสติเรียกว่าภาวนาขยันรู้ รู้ทุกนาทีทุกวินาทีการรู้มีสติรู้จักตัวรู้จักตัวเนี่ยมันเป็นเรื่องยิ่ยงใหญ่าการท่องจำที่จำนี้ํำนานภาษาของเกียภาษาของธรรมส ม, มานในความรู้ส ม, มานในภาวะที่ใช่ความรู้ ต่อไปเห็นหลไยที่เกิดขึ้นเห็นสัจธว่าไปเรื่อยๆไปเป็นหลักสูตรอันเดียวไม่ได้เปลี่ยนแปลงก็ชำนาญในความรู้ชำนาญในการใช้ความรู้สึกตัวเมื่อบันชำนาญในความรู้สึกตัวไปในกายไปน็นจิตใจแล้ว มันมาใช่เป็นความเหมือนการท่องจำจาได้แต่ปากมันเป็นการเจริญอีกหลายอย่างเกิดเป็นเสียเกิดเป็นสมาธิเกิดเป็นปัญญาขึ้นมาเห็นเห็นความหลงไม่เป็นผู้หลงคนจอบความหลงเพื่อมีความรู้ไปแล้วส่วนหลายที่มันเกิดขึ้นมาสนสุกขวรนทุกข์ เป็นความจสงบเป็นความพุ่งซ่านมันเกิดขึงนมาให้เราได้ศึกษาหมดอ่านมาทางนี้หมดนั้นการชุมทางก็ว่าได้ทางผ่านของอาการต่งางๆที่เกิดกับกายกับใจถ้าเรามีสตินะก็ได้เห็นมากมา ห, หลายอย่างแปดหมสี่พันอย่างที่มันเกิดกับกายกับใจ สูตรแต่ลสูตรสูตรบาปสูตรบุญสูตรศีล ส, สูตรทานเกิดมากเกิดผลศึกษาเรื่องนี้จนถึงอาการเกิดแจเจ็บตายหรือว่าชำนาญนะเรื่องอย่างนี้ดอวาปริยาเหมือนกัน มีชั้นปฐมชั้นอุดมชั้นปฐมชั้นมัธยมชั้นอุดมตามลําดับของความสามารถของผู้มีสติอาจจะไม่เหมือนกันทุกคนก็นได้เรื่องคนหนึ่งหลงเอาความหลงอันเก่ามาหลงเล่ามาหลงอีกบางคนเอาความทุกข์เงนเก่ามาทุกข์เล่าทุกข์อีกบางคนเอาความโกรธความ อันก็มาโกรธแล้วโกรธเดืตามกาลังของพลังศึกษาจำที่ฝึกหัดแล้วก็ไม่เหมือนกันเวลาเท่ากันหนึ่งวันสองวันสามวันเจ็วันเหมือนกันเดเดือนเหมือนกันเจปีเหมือนกันแต่ผลดาจจะต่างกันบ้างไม่เอาใช้อาการเวลาเป็นการกาหนดเอา ความชำนาญในความรู้ความเห็นเห็นรู้เห็ น, หนไม่เป็นความชนานาญมันพาไปไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้เจตนาเห็นทุกข์พ้นจากทุกข์ไม่เป็นทุกข์ความทุกข์ความโกรธไม่โกรธผูวกวกวกวก้ความโกรธ เ, เห็นความเก็บไม่เก็บผู้ความเก็บเห็นความตาไม่ตายผู้ความตายนี่คือความชนานมํานาญของนผู้มีสติจนได้รอก สติปัญนญนาลอกไม่เผอผุดที่เผอทุกแล้วทุกอีกผุดที่เผอโกรธแล้วโกรธอีกหลงแล้วหลงอีกก็ต่างกันอย่างนี้ถ้าเราไม่ใส่ใจเราก็เห็นตัวเองว่าอยู่ในฐานะแบบใดผ่านไปเรื่องใด พิสูจนได้ด้วยตัวเราเองไม่มีคําถามของถูกความผิดเกิดขึ้นที่กายที่ใจผู้ใดมีกาวิีัยเกิดขึ้นที่กายที่ใจของคนนั้นผู้นั้นก็นต้องเห็นสิที่เกิดขึ้นของตัวเองไม่ต้องมีคําถามอะไรผิดอะไรถูกคำหลง ถูกต้องไหมคมไม่หลงถูกต้องไหมเกิดขนะึ้นในท่าเทาเดียกันความุกถูกต้องไหมความไม่ทุถูกต้องไหมทําเป็นไหมความโกรธถูกต้องไหมความไม่โกรธถูกต้องไหมธรเป็นบ้างไหมอันนี้ทำไมจัดเกนไม่ขมเรื่องนี้ ความโกรธก็เกิดควาโกรธเรยไปความหลงก็เกิดความหลงรื่อยไปผู้ชำนาญจัดเจนแล้นี่ความหลงกลายเป็นความรู้จักตัวความทุกข์กลายเป็นความรู้จักตัวความโกรธกลายเป็นความรู้จักตัวปัญหากลายเป็นปัญญาผลของการปฏิบัติเป็นของใครของมัน ถามให้กันไม่ได้ถามกันไม่ได้เป็นข้อเขียนไม่ได้แม่คนเห็นว่าบอกว่าถูกเราก็ประจำเอาเขาถามเขาอะไรคําบอกจากคนนั่นคนนี้ถามอาจารย์แล้วอาจารย์บอกแบบนี้ไม่ได้เชื่อตัวเองเชื่อคนอื่นมันก็มาเช่น อ, อย่างนั้นธรรมะ เป็นปัจจตังของผู้ปฏิบัติของโู่ลู่ผู้เห็นเองนราจึงใช่ชีวิตเพื่อศึกษาแล้วนี่ลองดู บ, บลองา่าถ้าปฏิบัติตามตามสูตรนี่ไม่ผิดแน่นอนไม่เสียเวลาด้วยมีประโยชน์ด้วย ยต่อกายต่อใจจริงๆไม่มีทุกข์โทีทษต่อกายต่อใจจริงๆเหมือนการกอบกู้กายกอบกู้ใจเลื่อนขึ้นมาจากความเป็นคนโผน่ไปกันไปบวามเป็นมนุษย์สูงขึ้นมาเลือกได้เนเป็นพระหาอเรียบุคคลชั่นใด้ช่นหนึ่ง นี่คือการกระทำของแต่ละคนตารทำถูกต้องก็เั็นเพื่อนเป็นเม็ดเดิมเดิมนี้ไม่ได้เขาหกหลอกกลวงมีสติภายในกายลองดูยกเหมือนขึ้นรู้สึกเพื่อนไหวไปมารู้สึกต่อวิชากับบัณฑนัานอ น, นี่เป็นความท้าทาย การท่าทายอย่างมากคำสอนทุกคนก็มีกรยกบัวขึ้นลู้ชักตัวนั่นใช่แล้วอะไรยเกิดขึ้นมากลูกชักตัวงั้ น, น, นถูกต้องแล้วแจ่อย่าหลงอย่าทิ้งสูตรอย่าทิ้งสูตรนอ ยังยังไม่ผ่านลเลยก็ยังเป็นนั้นเก่าอยู่จนเรื่องเก่าไม่ไม่ผ่านใ่ว่าสอบไม่ผ่านต้องต้องเรียนซ้ำชั้นเหมือนคนเปิดคนหนาเรียนซ้ำชั้นคนเปิกคนหนาเรื่องนี้เขาเรียกว่าปุตชนโอ้โหหนา ผู้ไม่ทะลุทะลวงผู้จึกษาหนี้เขาเรียกว่ า, าอาญา บ, บุคคลผู้ทะลุทะลวงได้เรียกแจ้งได้สิ่งที่ไม่เคยรู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เคยเห็นก็เห็นสิ่งที่ไม่ทำได้แจ้งก็ทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ถึงก็ทำให้ถึงได้ อยา ก, กว่าง่ายฉันบอกผู้ศึกษาผู้ไม่ศึกษาคงยากเอาความผิดมาเป็นเรื่องยากเอาความยา ก, กเป็นเรื่องยากเลื่อยไปทำอะไรก็ยากผู้ที่เือคารก็ไม่ยไม่ยากการเพื่การตางกิจวิญ ญ, ญาณมันง่าย ว่าด้ต้องมีคนมาช่วยอุปกลที่หนึ่งที่สองวัตถุที่ึ่งที่สองมาช่วยง่ายอันอื่นนั้นยากต้องมีอะไรไปช่วยโยงกัดก็ยังยากต้องเอามือไปไล่ยุงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับใจไม่มีมือเอาไม่เอาอะไรไปไล่ยังเดลรู่จากตัว มัง่ายอย่างนี้มันหลงกัรู้จักตัวมันโกรธก็รู้จักตัวมัง่าอย่างนี้มันทุกข์กัรู้จักตัวมัง่ายอย่างนี้คนที่ยากกับเวลามันโกรธก็ไปด่ากันไปฆ้ากันแต่มันทุกข์ก็เศร้าโศกเสียใจข้ามวันข้ามคืนต่างกันอย่างนี้วิตเราก็แตกต่างกันอย่างนี้ สิ่ที่เราหลงคนอื่นไม่หลงที่เราเป็นทุกคนอื่นไม่ทุกสิ่งที่เราโกรธคนอื่นไว้โกรธมีอยู่มากในโลกนี้น่าจะยกเปลยงขึ้นมาสสยใจชักหน่อยแล้วก็เห็นอยู่ทุกคนเวลาเราปฏิบัติ อะไรที่มมาให้ทดลองเราให้สร้างบารมีควาง่วงบ้างความพุ่งสร้างบ้างความเลยสงสัยบ้างความหละคาบ้างทิฏฐิมานะบ้ า, บางามันยึดมั่นบาามมา้างนี่มันมาสร้างบารมีผู้เข่งผู้เข่งกับธรรมะความถูกต้อง ก็ไม่มีคู่แข่งอย่างนี้บางก็ไม่เก่งเราเจิงพระคู่แข่งจึงพิสูจน์ได้ไม่เหมือนเก่าล้วก็ยอมรับว่าเราเก่งเพราะคู่แข่งความหลงทำไมเราไม่หลงเราได้ความไม่หลงเพราะความหลงนี่คือคู่แข่ง เราได้ความไม่ทุกข์เพราะความทุกข์เราได้ความไม่โกรธเพราะความโกรธนี่คือคำงะคู่แข่งเราได้ความไม่เก็บเพราะความเก็บเราได้ความไม่ตายเพราะความตายถ้าไม่มีเกิด เ, เจ็บจตายเราไม่เจงคนไม่ฝึกก็ไม่เจงเลยแต่คิดก็เป็นทุกข์ทุกข์เพราะความคิด ผี้ขาดผูหความคิดเป็นความทุกข์ให้ความคิดไปเป็นสุขออกคิดไปห้อยไปฉันไ้กับความคิดัวเองออาคิดไปห้อยไปฉันไ้กับตากับหูจะโบกดิ้นกายใจนะความสุขจากตาจากหูจะบบกดิ้นกายใจเพราะลูเพราะรถตินเสียงดึงมันมา ทีลังยังยืนอาศัยความอันอื่นมาเป็นความสุขอนนิลามิษสุขสุขอองอภิษสุขอองเขาผลจุดอันที่เองนันก็พังลงมาก็หมดท่าไม่เคยฝึกตนนเชื่องแฉงการึกกรรมฐานไม่เป็นคึ้นศักดิ์ เศกปลุกเศกตัวเองให้เป็นเพระขึ้นมาไม่ใช่ไปเศกติดหินดินพูนโลหะทองเหลืองทองแดงให้เป็นเพระมาใ่ อ, อย่างนั้นเพระคือผู้ประเสริฐผู้ปฏิประเสริฐเกิดจากการฝึกขัดมิเสติตามพระเจ้าสอนอเรียกว่าเป็นพระ นมนุษย์ก็เป็นผู้ฝึกมาดีจึงเป็นผู้มีใจสูงมันช่ยเกิดมาจะเป็นมนุษย์เป็นพระไ ด, ด้พรอทำฝิกจากการฝึกหัดพ็สมเกิดจากการฝึกหัด พระสงฆ์เกิดจากพระศิษย์รมมีการฝึกหัดมาดีแล้วเป็นต้นไม่ใช่พระสงฆ์เกิดจากออกจากบทจากกุศชาบวดให้อ น, นั่นเป็นสงฆ์สมมุติสมมุติบัญญัติแต่มันก็ได้โอกาสที่มานฝึกก็ดีขอถือพระกาสวพัฒเป็นตงชัยพระละหัน มีอาถราบริการเครื่องมือพระอหันปมีบาทวิจีวันก็เป็นแบบเป็นเจนทำให้เราได้สังวนสมารวมคนกราบคนไหวคนเสดบาทยกมือทั่วหัวเราก็จะได้มองตงัวเองเราเป็นอยู่ในฐานะแบบไหนคนมากราบมาไหวเราสมควรไหม ถ้าเราไม่ฝึกต้นสอนตนนนกอบว่าที่หนึ่งก็เป็นบาปที่หนึ่งกินข้าวชาวบ้านก็เหมืนกินค้อนเหล็กแดงผมกีบหวงก็หมืนห่มเครื้องเดือดแดงน้องก็กงกติก็ลุกเป็นไฟข้านียบาดลุกเป็นไฟกีวงลุกเป็นไฟหรือสึกก็อยู่ไม่ได้ ไม่ได้ลดพิธรมพระเจ้าสอนอย่างนี้ปกปิดซ่อนเล่นไมาใช่สำนา้าอ้างตัวว่าเป็นสมณะาไม่ใช่ผู้พิธามอ้างตัวว่าเป็นผู้พิธรรมเป็นขุนหมกง ม, มเหมือนบอ่อที่ได้กระยอบมุนผอยพระเจ้าว่าอย่างนี้ออกจากพู้โอดเอง ขนาบปจูเราจกขี้โทษแล้วขี้โทษอีกไม่มีหยุดผู้ใดมีแฉยสอนผู้นั้นจึงทนอยู่ได้เราจะขี้โทษแล้วขี้โทษอีกไม่มหยุดลกจะขนาบแล้วขนาบอีกไม่มหยุดเราทาอย่างจะทํากับพวกเธอไม่ทะนุถนอมเหมือ น, นกับหม้อช่างหม้อทํากับหม้อยังเบียดยังดีบจูเหมนคนตีหม้อ รูปคำไม่ได้มันเนื้อไม่ดีต้องตีตีหม้อคือมไม่เป๋เป๋ตีดินนวดดินนวตีทุบเป็นรูปหมอ้อทุบแล้วทุบอีกทุบแล้วทุบอีกทุบสองถั ง, งใส่กันทุบแล้วทุบอีกนวดแล้วนวดอีกเหมือนคนตีเหล็กทุบเป็นรูปมีดเลยมันก็ไม่ไปคุณลังภาพนวดเหล็กให้มันละเอียด นวดไนวดตีตีบวบไปขรั้ ง, งนั่ตีเบี้ยวไปครั้งนี้ตีทุบไปขรัง้งนั่งอไปครั้งนี้งอไปทางนี้มันเหนียวนวดดินก็นวดให้มันเหนียวเหนียวมันจึงตีบ่บได้มีคนเอาภาพหงข้าวต้มแกงอตีไม่เปลี่ยนรูปคำก็ล้วซึมไม่มีคนเอาภาพ เราจะทำกับพวกเธออย่างไม่ทะนุถนอมเหมือนกับช่างหมอทํากับม้อยังเวียบอยู่ขี้โทษแล้วขี้โทษอีกขนาดแลวขนาบเบกไม่มีหยุดผู้ใดเม้าขนเป็นจันทร์สอนผู้นั้นทนอยู่ได้ผู้ย่อสอนอย่างนี้ผู้ใดขี้โทษแล้วขี้โทษอีกไม่หยุดผู้นั้นคือเป็นผู้ขี้คมทัพผู้ศึกษา มอ ง, งกันอย่างนี้ผู้มาจากิกรศกหาว่าดูว่าด่าขนาบาาานา บ, บังคับเกินไปเบียงตั้งระเบียบให้ปฏิบัติจิตวัดวิธีวัดก็ไม่เอาแล้เยันเสียงข้องตีมาทำวัดจดมันก็เอาอผ้าคุมหมวกคนขี้ขาดนอย่างนั้นก็มีเหมือนกัน ทำไไม่ได้อะไรก็ยากออกวัมยากออกหน้าออกตาชีวิตเนี่ยไม่าอะไรต้องสู้ชีวิตคือการต่อสู้ค้องเปอยู่ด้วยความอดทนทึงจะอยู่กับโลกได้คนเกียดข้านโยนอนเป็นทุกคนขยันโยม หาชับได้ไม่เป็นทุกข์การหาชับภายในนี่ว่าได้อาศัยจังเกอร์อาศัยสติเนี่ยสร้างหมกักสร้างผลขึ้นมายกมือขึ้นดูสักตัวผู้แขนเข้าดูสักตัวอยกแขนออกดูสักตัวเนี่ยไม่อยู่แล้วกับตัวเราทุกคนแล้วรูสักตัวเนี่ยอย่าปล่อยการเวลาเที่ยงไปเที่งไป ความคือนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่รู้ขเขนเข้ารู้จึกตัวเหยียดแขนดอกรู้จึกตั ว, วอาหารการกินก็ไม่ต้องหาก็เดินหาไปให้ที่นี่มีระเบียบไม่ต้องคิดเรื่องอยู่เรื่องกินเรื่องดับเรื่องนอนันเดินสร้างไปให้ ยินดีต้อนรับผู้เด็กไปมาขอให้มาที่นี่มาแล้วก็มาปฏิบัติที่นี่ใครมามาศึกษาที่นี่มาปฏิบัติก็มีชวนบุญนีชวนบุญมีเราร่วมผู้บอกผู้2ก็มีชวนบุญมีอนุสงผู้ปฏิบัติธรรมก็มีอนุสง ไอ้นนสองเกิดขึ้นทั้งสองฝ่ายเราจรึงข้าวชาวบ้านก็ได้ชีวิตเพื่อทำความดีบ้านเพือได้อาหารเ่ผู้ใช้อาหารของเราก็ได้ความสุขของเราเขาจะมีใ น, นสงได้ช่วยคนได้ค น, ด, คนดีให้เกิดขึ้นเขาไม่ช่วยใช่เขาไม่ใช่ช่วยคนโจนผู้ร้ ชีวิตอยู่เพื่อไปทำร้ายทาบันดาลใต่อคนอื่นนี่เขาช่วยคนให้ทําความดีคนกาลังทําความดีอยู่จริงจัเรียกว่าพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบนาุญนานเื่นยิ่งกว่าพระเจ้า ก, ก็ว่ากันนี้คือช่วยผู้ที่กําลังทําความดีก็มีไอ้สองทั้งสองฝ่าย เราได้เลือดได้เนื้อจากชาวบ้านได้กำลังชาได้ชีวิตเพื่อมาทำความดีมาสร้างสติรู้จักตัวอยู่นี่เมื่อเราเป็นคนดีก็มีผลกระทบต่อใครบ้างต่อพ่อต่อแม่ต่อพี่ต่อน้องต่อมนุษย์ทุกคนต่อลูกโลกนี่ยังขาดแคลนคนดีอยู่มาก ทำอยงไรจรึงจะเกิดคนดีขึ้นมา้วโลกก็มีทางเดียวเท่านี้มาศึกษาตามคำสอนพระศาสนาพระพุทธเจ้าดีเร่นอนราศึกษาลูเรื่องนี้ดูคำสอนเ ต, ติบัติตามคำสอนนั้นก็ไม่ต้องมีคุกมีตารางไม่แต่พี่จะน้องเป็นคนคนเดียวกัน เพื่อนพาใสกันได้คนก็เพื่งกันได้ศาสนาและชิงก็เพื่งได้ธรรมชาติก็เพื่งได้ชีวติตโลกเพื่งได้คนดีไม่ทํำลายแต่นี่มีคนไม่ดีทํำลายเรียนบุ่นดีก็เกิดขึ้นในอากาศออกซิเจนแล้วคนไม่ดีติดบุ่นดีมามาสุบหรี่ในที่ชุมชน พวเรากนเหม็น <c oughs> ากาศเป็นคนสุบุรีเมื่อสองโดยไม่จำไม่ได้ขจมากียรราไม่สูบเองก็เลือนสูบแล้วก็มีโทษไม่ทำลายธรรมชาติก็เห็นทำลายแล้วก็มีทุกมีทูด กอด้นน้ำแห้งกอนักชือพิมเมื่อวานนี้วนจังหวัดวนเรื่องปลาในกระชังโลนมากปลาในกระชังตายหมดเลยยกมายกกระชังขึ้นมาให้ดูเห็นปลาตายเป็นมาหมืน่นแส น, สนตัวมันล้นคนก็เลือด้้น จาาแล้วเจริงเดือดร้อนมนุษย์เดือดร้อนคนที่ไม่ทำอะไรก็เดือดร้อนเหมือนกันแล้วจึงมาบอกว่าสองกันให้เป็นคนดีเนี่ยอย่าไปทำให้อะไรเดือดร้อนมันก็สงบได้ในโลกนี้อย่าไม่ส่กันไปมาถือมาเป็นคนดี สอนขายสอนใจให้ทำความดีเริ่มนับหนึ่งจากตัวเราก่อนคนไทยห5ห้าล้านคนนับหนึ่งจากทุกคนก็ดีขึ้นมาทันทีได้ประหยัดอย่าใช้อะไระรู้จุดลอยอันดที่พูดอยากคำบอกคำสอนคนหนึ่งเขาพูดว่าการดึงกระดาษเ ช, ช็ชื้อออกจากกล่องเค้กหนึ่งดันไม่ล่มไปแล้ว กอนโลกตัดต้นไม้บรลา2700มืัน้นเฉพาะฉีกกระดาษใช้ชู้นี่ต้นไม้ถูกตัดบรรล์สองหมื่นพันต้นกประหยัดทั้งน่อยใช้น้ําใช้ไฟใช้อะไรต่างๆประหยัดจากจุลูจุดๆๆลอยแล้นี้อะไรก็หมดแล้วก็หมดอาหารในโลกก็หมด เห็นกับหูกับตาแต่ก่อนไปไล่ปนากินน้ำรอยวัวรอยควยได้แต่นี้กินไม่ได้เลยมีแต่พิษแตพายอาหารขาดแคนตลาดจดอยู่ในป่าแนี้ตลาดจดอยู่ในเมืองในจีิจสกปก เราเราไปชื่อของแมงวันเต็มไปหมดคนขายก็ไล่แมงหวานอยู่นี่ไล่แมงหวันแมงวันตอมอยู่นี่แล้วก็ไปชื่อเอาคนชื่อก็ต้งไล่แมงวันมันตอมมันสดยังไงอย่างนั้นตลาดชดต้องอยู่ในป่าเป็นขึ้นมาหน้านี้ไปเก็บปักหวานเก็บปักจับมาเกี่ยถากบตอม ไล่ตามทุ่งนาค้นหากบหาเขียดหาจช่นโลรานก็มีมีไหมไปแย่ตามลูกก็ได้ขบได้วเขียดทกวันนี้กบเขียดตายหมดไม่มีเดือน 6, หกเดือนเจ็ดฉันขบลงไม่มีแล้วทุกวันนี้รับผิด ปุยเคมีได้พราสารพิษขิดอยาฆ่าย่้ากรมกโซนสบบร์กขิดยาฆ่าหญ้าทำลา ย, ลลา ย, าลายดินทําลายป่าทําลายสันน้ปลายหมดไม่มีอะไรเหลือแต่ก่อนไม่อดไม่อยากหน้ามีเนาน้ามีปลาใน่ า, าน้ำไมีข้าว แมนบลาะฮ่า่าฮ่าฮ่า่าฮ่นละเานี่ห ล, ลังจามมาอยู่นี่เกือบสี่สิบ ป, ปีต่างกันคนละโลกเลยหล่อกลงร้องให้เสียใจคิดถึงสุปโน คิดถึงเดรัลายคิดถึงเสียงนกสังสัตว์กลางคืนมันร้องกลางวันไีโซปันโนกลางคืนโซปนโนโซปันโนหายไปไหนชนสมัยนี้ไม่เคยได้ยินแล้วโซปนโนมันเก่งกว่าเดลายแมงง่วงกระจันแมงนาพนผขาแบ่งกันทำนาที่ร้อง อดูฉันขอฉันเป็นพระป่ามีพึ่งสาะป่าไม่เป็นเพื่อนมดเปลลังแสดงทําอยู่จำเจไม่รอลแท่ไม่มีเบื่อเหลือเก่าเอ่ยอาจารย์พุทว่าเดี๋ยวนี้อยู่ป่าก็ไม่มีแล้มะมุดเปลลงไม่ได้มีการแสดงให้ได้ยินเลยไหลหายไปไหนโชพนุหายไปไหนจ้กระฉันหายไปไหนแรงน้ำฝนหายไปไหนจัน้ำจัดโบกหายไปไหนหมด ตกุ่มตุมต่ำในหนองชานนี่ตุ้มตุ้มตุ้มนกกเจแนก็ล้องเหวนแหวนก็ล่องก็ข่าคก็่องกดปูดกดล่องพูดพูดพูดพูดตาวันไหนนกกดปูดร่องขนก็เทลงมานเทลงมา อนนีจะหมาก่อนนะนกกรเดินล่องแชแชภาพแช่แชภาพล่องวิ่งอยู่ในสะแชแชภาพแชแชภาพไม่นานก็ฝนตกลงมาเวนี้มันอาบภาพแล้วเกินก็ทุกคนนี่นะออต้องขวนใจเวลาแล้ว